สิ้งตังติ้งตังติ้งติงก็สิ้งติงอย่างเขาเขาเขให้ดังไว้ก่อนติ้งดังฮะว่าไฟแอสิ้งต่างสมมุติว่าถวายสังฆทานหลวงพ่อหลายๆครั้งอธิฐานให้เป็นเพศตรงกันข้ามในชาติหน้าจะสําเร็จไหมครับสำเร็จสำเร็จต้องถวายที่วัดนี้ป่ะต้องถวายที่วัดนี้ถ้าที่วัดวัดอื่นไม่สำเร็จ ใช่ไหมนี่จะพูดไปไงสมเด็จเมื่อสมเด็จตายไปแล้วก็่ต่อว่าเราไม่ doll doll like so ได้อย่าพูดแรงปด็น네ี่ได้ยินนี่ค่อยค่อยค่อยค่สนทนายค่อยสนั่นหนตอนจริงในสังฆสังฆสังฆาลัยสงฆ์ว่าไงครับท่านบอกว่าถ้าผู้หญิงต้องการอยู่ผู้ชายนี่ความจริงไม่แน่ว่าผู้หญิงที่มานั่งที่นี่ผู้ชายตั้งเยอะอดีตนะอ๋ออดีตนะเพราะอะไรไหมครับที่ต้องมาเกิดเป็นผู้หญิงเพราะโรคจังชู้ อ้มีมีไม่ใช่มีเมียน้อยมีเมียมากนี่ยังพูดจะพูดพ่อพูดเสียงดังนะอใช่นี่เราก็ซิบกันสองคน้าว คนที่ทำกับข้าวถวายคือผู้หญิงนั่นลุงพ่อนาไม่เป็นห่วงผู้เดียวก็ว่าออกมากเลยชาวคนไั้นเขาไม่เกี่ยวอ๋อคนละคนนห้นเขามีปฏิธรรมทรงศีลทรงธรรมดีมีกำหนดสิทธิครบถ้วนว่าคนอื่นคนอื่นอคนนู้ไม่ทำกับข้าวถวายพระและพวกนไม่เคยผู้ชายอว่าเขาเก่งไอพวกผู้ชายมันไม่ก็ครอบคลัวหรอกอย่างนั้นสมัยที่ผู้หญิงเยอะๆนี่ก็แสดงว่าชาติก่อนผิดศีล ไม่จะพิดชนสินทังไปเลยโอ้โหแล้วถ้าลระผู้ชายล่ะพระผู้ชายอะไรอะผู้ชายทำผิดก็กลายเป็นเกิดเป็นผู้หญิงใช่ผู้หญิงทำผิดเกิดเป็นผู้ชายไม่ๆม่ไ่ามอไม่ไม่ไม่ไม่ไอ่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่่ คืองีว้วันเนี้ลอยสายไอที่ผมเรียกอะไรได้เยอะแยะต่อสายยันนานก็สิทธีผมขาดหมดหมดเลยส่วนมากที่ผมได้เยอยะๆอัเนี้ยผู้หญิงก็ถวายผมต้องเสียนหน่อยนึง อ, อต่อไปก็ถ้าเดี๋ยวก่อนอผู้หญิงถ้าต้องการเป็นผู้ชายเนะี่ยในสารสงฆ์พระเคยบอกว่าต้องมีความครบรสมีใครบิดา นี่ถ้าเป็นผู้หญิงแท้นะกรับคราบาผู้หญิงเทียมแล้ไม่ต้องหมดโทษก็เป็นผู้ชายผู้หญิงเทียมเป็นไงก็เป็นผู้ชายมาก่อนโอ้และก็เมื่อมีโทษการเมตต้อมาเกิดเป็นผู้หญิงถ้าโทษการเมตหมดก็กลับไปเป็นผู้ชายตามเดิมเออใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าหาว่าเป็นผู้หญิงแท้ต้องการเป็นผู้ชายเมื่อต้องการเป็นผู้ชายก็ต้องปฏิบัติมีความเคารพในสามีใครบิดา จริงจะเป็นผู้ชายขาดไต่ความจริงเกณฑ์คิดว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยดีกว่าผู้ชายทําไมอครับว่าเกณฑ์ลงนรกน้อยกว่าผู้ชายฮ่าทำไมเกียร์ไม่ใู่เชียร์จะเลิกนะคนร้องข้าวกินนะฉันไม่ได้เข้ากับผู้หญิงแต่ฉันเข้าวับหม้อข้าวหอผู้หญิงไม่เกี่ยวเพระไปเกี่ยวผู้หญิงตัวอบดับมาก มีชังสนใจก็มอข้าวอย่างเดียวผู้หญิงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่มอข้าวมันจะมากับจะใครช่างมานจะผู้หญิงท้านเราเราไม่รู้ยังไม่ขี้ฝุ่ถึงไหนลืมแล้วก็เรื่องผู้ชายเป็นผู้หญิงผู้หญิงเป็นผู้ชายอ่ะก็ใช่ที่ทำอะไรประพฤติ การมาบทสิบนะฮะอะกำหนดสิบนะฮะไม่ใช่เลยถ้าหาว่าผู้ชายจะเป็นผู้หญิงก็ต้องผิดเนื่การมีใช่ไหมอันนี้ง่ายหน่อยผู้หญิงถ้าอย่าบุผู้ชายปฏิบัติสามีคล้ายก บ, บิดามีความเคารพตนเองนะอะ ปฏิบัติแบบไหนตุกเช้าตับหรือไม่ใช่เบ๊ตุกเนี่ยคือว่ายังเมตตาก็ดานิดหน่อยพอไปน้ำกระต่ายว่าถ้ายังแรงๆก็ซอยดีๆยึดตกซ้ายตกว่าครับทำอะไรล่ะถึงได้เกิดเป็นกระเทยไม่เข้าขนักสองข้อเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เคยเกิดเมอ่ออดีตนะครับเตอ ก็เห็นเฉพาะพอได้วังนะมันก็ได้วังเงี้ารับรับด้วยเกิดเปวัตรวทกไปกดอันเดียวกันเนี่ยอ๋อคือบอกว่าท่านบอกว่าถ้ามีโทษการมีนะปราบตายลงไปแล้วถ้ามีโทษอื่นด้วยก็ตกลงรกคุ้มใหญ่ถ้าผ่านสิ่งพินรกคือตรงนี้อยู่ใช่ไหมครับคนจากมารก็มา็นเปรตจากเปรดเปวัรกายจากรกายมาเบินสติฉานเพราะว่าสติฉันได้ถูกทำลายเพศ ถ้าเป็นใส่เขาถูกกัดเพื่อทำลายไปใช่ไหมครับแล้วต่อมาก็กมาเป็นคนหมดพอออาบแล้วก็มาเป็นคนเป็นคนยีราฟก็มาเป็นกระเทยกอดดั้นดอกก่อนดอกนี่มีสองเพศดอกอย่างไหนพ่อดอกตอนแนวจริงอ่ะก็มีทั้งสองเพศคือเพศหญิงและผู้ชายอแล้ววันใช้ไม่ได้ผลทุกอย่างรู้ละเอียดนี่นะรู้เขาเปิดดู ไม่ได้ไมเปิดผ้าแล้วเปิดตำราดูไม่ได้ไม่ใช่นะตึงก็ยนว่ปารีญาสามนเคแลมา้าไมเปิดมนจะเป็นงไงวะไปได้ไปได้ไปใหญ่ไปอยแล้วเ่งก็บอกว่าน้าขุ่นๆไปได้แล้วลรู้จกมันแบบ่ามาเป็นกระเทยไอ้กระเทยนี่มันมีสภาพ ชายกับหญิงก็ไม่แน่ท่านนี้สายชอบเป็นผู้หญิงใช่ไหมเพราะ ท, ท, ที่คาเทยนีบบ่กำหนดที่ต่างกันบันตับันาที่มีสองเพศเหมือนกันแต่ใช้ไม่ได้ผลทุกอย่างถ้บาบมาเป็นคาเทยเขาจริงๆรนี่สภาพเปลี่ยนแปลงไป่คือร่างกายอาจจะเป็นผู้ชายแต่ใจเขาจะเป็นผู้หญิงออนี่ก็มาจากโทษการเมย์เหมือนกันใช่ไมเนะี่ยฝากก็ได้ขอโทษะโทษตามเมย์นะครับครับเขา จบๆไปยังไง ไ, ได้ไคนได้นักถือศาสนาต่างกันเวลาตกนรกนี้แยกนรกกับลูกลา่าวเขาแยกกันมีหลายรกหรือเขาไม่ใช่แยกนรกแยกที่ยังอาจารย์ตกนรกอยู่ที่เก้า อ, อี้ตัวนี้ไหมครับเก้าอี้ตรงนี้มีนจำกัดแบ่งเสีย่ยปจะตกสองค น, น, นได้เลยต้องไม่งข้างๆเป็นนรกข้างๆเว่า ชาติชาติต่อไปเลยเขาไม่มีคำว่าชาติด้วยศาสนาวันหมือนกับเวนการจำที่จะมีไว้ไอเรื่องจำเนี่ยไม่ว่าใครเขาขังแล้วที่นั่นแหละเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าคําว่าศาสนานี่แปลว่าคําสอนเนี่ยจะรับคําสอนจากใครมาตามถ้าตายแล้วก็ตกนรกก็ไปอยู่จุดเดียวกันถ้าตายแล้วไปสวรรค์แล้วไปพงก็ไปอยู่จิดเดียวกันครับถ้านั้นแหละมีอะไร ปวดไตว่าไงเลงยักเครับได้ oh, ๋ยวไตดูจะกดที่เดชชันหล่อด้วอเอออย่างขี้นหน่อยหน่อยเออเดชฉันมากราบหลวงพ่อทีไรก็โดนหมาทุกทีอย่างนี้อานิสงจะเป็นยังไงคะเออจะโดนหมาหน่อยสงสัยจะเป็นหมาใต้นี่มั้งื่อนจะเบิ่นไปชนหมาหนึ่ไงคือเาถ้าเวลากราบหลวงพ่อทีไก็มีหมาด้วย สังขังสำนังกชามิเออมีหมาด้วยเนี่ยพุทังสนังกชามิขอถึงพรพุทธเจ้าปนดีพึ่งทมังสนังกชามิขอถึงพระธรรมปดีพึ่งสังขังสำนังกชามิขอถึงพระสงฆ์พึงพึ่งภูัิคังสำนังกชามิของหมาด้ว ได้ดีด้วยตรงมาคุมสี่ดีคุมอิ่นโอะดีกว่าสามดีกว่าไอ้สามขาเนี่หางขาไม่หักขาไปไม่ได้จะสี่ขาหางขาเขาโยกไปได้ไอ้ข้าวมาชมหมานี่ไม่เข้าใจดิข้าเห็นว่ไม่เข้าใจครับผมสายคือไหว้แล้วถ้าว่จิตมันไปคล้องูที่หมาจิตคล้างในหมาก็ดีแล้วไปที่ฟืงไปอ๋ยนี้มีประโยชน์นะไหมนี่มีประโยชน์มากเชียวหมาเนี่ยเหรอใช่ อย่าเล่ากสูด้วยฟังนะอย่าปนขันเป็นระสูดเอาไหมดีครับไครรับฟังไหมอันนี้สมนะจะได้เป็นหมาไอ้ไม่ใช่จะได้รู้เรื่องหมาโอ้เห็นจัไอ้คนจะเลีงหมาอยู่แค่เรื่เรื่องเป็นอย่างนี้ต้งโตโต๊ะกะใช่ไหมครัรู้จักไหมเป็นเครื่องยาจานนะผมเป็นเื่องหมายกะ ไม่ใช่สมัยท่านเป็นโกตุริกษ์ต<บ>นคนท่านโกตุริกษ์นี่ท่านอยู่เมืองหนึ่งสมัยนั้นก็เป็นโลกแรงจัดเครื่องข้าวยากหมากแพงผลน่าไม่ถกต้องตา อ, อยู่การว <c oughs> ่ายไปตัวคนก็เป็นโรคระบาดมากตายกัน <c oughs> สมัยนั้นคนเป็นอรคอวายก็ดีการโรค ก, ก็ดีมือถือเป็นโรคหายลงโอเคไหมกล <c oughs> าว่าใครจะหนีโรคนั้นห้ามออกําประตูบ้าน ต้องงัดจงษาไปว่าเป็นว่าท่านโกตัวริกะกับปัญญาแล้วก็ลูกน้อยเหมือนคนลูกยังเดินไม่ได้งัดษาบ้านหนีมาระหว่างทางตอมาเดิมาไหลวันอาหารที่นำมากป็หมดท้าเป็นคนจนนะราบอาหารหมดตอมาร่างกายที่จะหมดแรงก็เราบอกเมียบอ ก, บอกให้ลูกเนี่ยทิ้งเลยมันลาบากมากจะอ้มไม่ไหวแล้ว่า<ะ>เรายังมเงองสาวอยู่เราที่จะทําให้ใหม่ ม, มันแม่แต่เขาพูดได่้จริงอ๋อเขาพูดไงเขาพูดอย่างน้นจริงๆลาวไม่ปนะาบไปเราสามารถหาใหม่ได้เขามียพูดเป็นแม่ใช่ไหมยล้วมีความรักต่อลูกเมก็ไม่ยอมมาวันหนึ่งตอนเย็นท่าเลยอลูกมาอุ้มแทนแทนเมียครับแล้วม า, าใกล้แยกถก็พยายามเดิน่วงให้มันช้าอัญญาเดินไงหน้าใบไกล เวลาใกล้ค่ำท่านก็ทำทีว่าจะข้าไปไปปะวะในพุ่มไม้ยู่มันเป็นปในป่าก็ oh. เอยลูกวางไว้ใบ ไ, ไม้หมดแล้วค่อยเดินไปช้ากว่าจทำานึงปัญญาก็ไปไกลไปถึงปัญญาถามว่าลูกไปไหนทัาบอกทิ้งไม่ที่โน่นแล้วเ oh. มียกลับมาทนมหาลูกปรากฏลูกตายไปแล้วโห oh. ใช่ไหมใช่ oh. หลังจากนั้นมาสองสามวันก็เดินออกไปถึงบ้านเมืองหนึ่งนะครับก็เข้าไปในบ้านเขาท่านธากาบดีจะไปรับจ้างไอ้ข่ารับจ้างเราต้องการอย่างเดียวว่าถ้ามีข้าวกินใช้ได้ถ้าจ้างไม่เรียกาให้แพงให้ถูกก็ไม่ให้เลยก็ไม่เป็นไรเขคนอดอย่นะครัเวลานั้นจอยกับท่กาบดีท่านมีหมาตัวเป็นหมาทุ้เมียใช่ไหาท่านก็ลังกินข้าวมาทุปายาด เขาวทุกใยาดอิ่มขาดีมากมีมหาเศรษฐีสกทาบุดีกุล า, า, าชากินทั้นานทุเรียนกินไม่ได้แต่กินไปท่ก็แบ่งให้หมา ก, กินไปบ้างเถอะกินบ้างํเาเพื่อบตาราวเป็นหมาทาาาาี่ท่านราักอนนี้พอทาไปหาสกทาบดีพวกเราก็บอกความเป็นจริงท่านทราบพระต้องการมาทํางานท่านก็ยอมรับและก็ท่านกาา็เลยโหาลูกน้องท่านไปจับทหารมาสองส่วนสองจาปรนก็แบ่งให้พญายา์สามีจาน นี่ปัญญาจะมีความรักสามีมากให้ผัวกินก่อนผัวก็มั่มหมดแม่ถามผัวว่าพอหรือยังตัวเองยังไม่ได้กินป้าผัวบอยังไม่พอก็รอ <c oughs> ให้กินเป็นจานที่สองตอนนี้ได้เรื่องไปไหนทาพลาดบารีทจ้าบอกว่าร่างกายมันเพียมมากไฟธาตุไม่สามารถจะย่อยได้อี่ตายโกตุลิการเลยตายกว่านั้น ก็บอกตอนที่เขายกตายก่อนขนาดที่เขาวีวันกินข้าวอยู่เขานั่งมองในตัวหมาตัวนั้นน่ะคิดว่าเจ้าหมาตัวนี้น่ามันดีกว่าเราอเราเองเป็นคนยังไม่เคยไปกินข้าวมาทุกปายาติเลยคราบครบัแต่ว่าเจ้าหมาตัวนี้มันได้กินข้าวมาทุกปายาตจิตใจเขาก็จับอยที่หมาใช่ไหมครบัรบครับตอนเราเวลาตายตกเวลาสาจิตครอบอะไรอยู่มันไปที่นั่นจิตออกจากร่างเข้าท้องหมาไปเลยเข้าโดยแน่นอะไรหรือเอาไปยแน่นพันที วันนั้นว่าหมาช่วยไว้เนะนี่ยแน่ทอดทิ้งฆ่าลูกวความจริงจะต้องตายลงนรกนั่นจะกลับถ้าไม่ไปเข้าท่าหมายังไม่ต้องโรมโลกคือหมาช่วยไว้เสียสุนัขขังก็นางกระชามิถึงหมาเลยดิพึง่งปากก่าเจริญเจริญหมะแล้วก็หลังจากไม่งแท้งก็เป็นก็ตายจากความเป็นคนโดยเป็นหมานี่ก็เป็นหมาแสน ร, รู้รู้ภาษาคนอท่านเศรฐีก็รักท่านแต่ท่านอนัสตาวดีก็รักมาก แล้วท่านมีพระกปเจ้พุทธเจ้ายองค์หนึ่งที่ท่านเคารพนอกจะดูฝนธ้ามาใกล้บ้านใช่ไหมครับเวลาท่านไปหาพระกป เ, เจา้าพุทธเจ้าก็พาหมาตัวนี้ไปด้วยไอ้เจ้หมาว่าตามไปถ้าวันไหนท่านไม่ว่างก็ใช้หมาตัวนี้ไปแทนอ๋อมันก็ไปถึงก็เห่ามัง่งเห่ามั่งบอกว่าผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับแทนดังเนืเ้อภาษาเลยนะฉันเบานะโอ้โมาเชเ่อว่ารู้ว่าเป็นหมาด้วยอ๋อลุ้นต่าลุ้น พระให้เราทราบพระไฟว่าไฟบนหนังมีสุนัด้านนี้หนึ่มันโตทราบพระแก้ไฟตั้งด้านนี้ได้หนึ่งมันโตเห็นแล้วเห็นแล้วเอ่าคพราะ้ว่าพระท่านว่าไปรู้รู้ว่ามามื่อตอนีไหมทราบแล้วทำอย่างนั้นตลอดมาจะมีความรักกับพระพุทธเจ้าพระพธเจ้ามาว่อถึงเวลาจะเข้าบทสาพระเจพุทธเจ้าต้องกลับขันเขาสุกนณมต์นะทราบเจ้าหมาตัวนี้มันมองท่านหาะไปจริเข้าสุดสายตา อ๋อบังหอนบ้างเพราะพระพระเจ้าพร ะ, ะเจ้าสุดสายตาไปแล้วเจ้าหมาตัวนี้นเลยขาดใจตายโห้น่าสงสารเอาใส่ที่จิตรักนะ พ, พระรเจ้าพระเจ้าครับพระครับใช่ไหมตายแก่ความเป็นหมาได้เกิดเป็นทวาดาวน์บนสวรรค์เช่นดา ว, วดึงสีพโลกคิดไหมหมาเนี่ยนะหมานี่ยดีกว่าคนอ่ะนี่คนถ้าตายแล้วไปเกิดเป็นหมาดีไม่ต้องลงนรกโอ้อะไรต้องลงนรกนะครับแล้วก็ไปเกิดเป็นทวาดาวน์บนสวรรค์เช่นดาวดึง อาลีสงที่ใช้เสียงเห่าบั้งหอนบั้งให้ท่ญญานยายกับพ่อปจิ๋วคืเจ้าท่านก็เลยคนเสียงดีค้าอาจารย์นี่นะ่อ้าวผู้เสียงธรรมดาธรรมดาเรดดังรู้หกสิบโยนถ้่าเคารอเต็มที่ดังกล้องผู้ดาวดึง อ, อาจารย์นี่พันนเดียววันนี่ยอ๋อผมนี่ก็มีตระกูลช่ไห <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่แต่คลหมาแต่คนตระกู ล, ก ล, กลโคศก<อ>ที่บาบุกอานไปเป็นธรมดามีนามว่าโคศกที่บาบุก<อ>ใช่ไหมไปดีเขาด้วยจะเห็นว่าความจริงจะว่าหมาไม่ดีไม่ได้นะกันนรกเลยนะค ร, ค ร, ค ร, ราวนั้นพระโกตัวอริกะไม่ได้สุนัข ก, กันไม่คือจิตไม่จับสุนัขไว้ก่อนใช่ไหมคราวจะต้องลงนรก<อ>นี่ไม่ต้องตกนรกด้วย แล้วก็ตายจากสุนัขไปเป็นสวัสดีวดาด้วยมันก็ประโยชน์ใหญ่มากไม่ตกมารถตายจากมันยังจะเป็นสวัสดิวดาใช่เป็นสวรรค์เออเอ้หลวงพ่อนี้กระใจเลี้ยงนะเออนี่ก็เลยถือแบบนั้นไว้เพื่อใครที่จะพลาดท่าเขาเกาอันนี้ไม่ก่ออแต่ของเข้าชลวตู๊่เจ้ผู้นี่มีแนวในการต้องกรรมรกใดต้องกันยังไง เคยรู้ว่าหมูข้าปานี่ยเป็นผีไม่สำนนะเลยนะหมากับแมวเนี่ยครับถ้าใครเอาหมากับแมวมาเปล่อยวัาที่ท่านสั่ง้าเลยต้องบอกข้ารองต้องเลี้ยงให้ดีโอสม่านบวไอ้หมากับแมวเนี่ยมาเป็นด่านกำลังด่านแรก เพาะอะไรไหมเรามีจิตเมตตาในมันให้มันกินทานอยากว่าเป็นอานารมีครับไอตัวทานตัวนี้เราต้องห่วงม้าห่วงแมว่ามันได้กินไม่หยังเช้าไม่กินไม้ยังกลางวันไม่กินได้ยังเย็นไม้กินได้ยังใช่ไหมครับไอ้จิตมันเป็นจิตกุศลถ้าตายจากความเป็นคนนึกอย่างอื่นไม่ได้จิตอาจจะไม่อย่างนี้ได้คงคิดเป็นคิดตลอดวันอก็ไปสวรรค์ก่อน ถาไปสวรรค์แล้วบุญเก่าๆที่ทําไว้แล้วทลายมันจะรวมตัวตอนทีเห็นไหมครับนี่คนเพิ่มปรนนาคมเป็นสุนัขขังท่านนางนชามิ<อ>ถึงหมาไปที่พึ่งอีกสระนหนึ่งตายแล้วยังต่ําก็ใช่ไปสวรรค์นะยังต่ำเนะอ า, าอบ้าไปมีอะไรปรัญหาเยอะถ<ะ>้าผัดเบื้งเบลออะไรอย่างนี้เ<ะ>ขาบอกว่าการถวายสังฆท า, านต้องเขียนชื่อผู้ตายไว้บนผ้าไตรจีวรด้วย ผู้ตายถึงจะมีโอกาสได้รับอย่างนี้อยากเรียนถามหลวงพ่อว่าเป็นความจริงไหมเจ้าค่ะมันเป็นความจริงเหมือนกันแตะที่โยมเขียนมนยานี่ผิดระเบียบอ้าวทำไมหลวงพ่อเขาต้องใช้าบัตรห้ารอยบาทเขียนโอ้พออ่านจบแล้วจะได้เป็นประโยชน์ต่อไปใช่หลวงพ่ อ, น อ, อพ่นอกกอบนิน <c oughs> แต่ความจริงมันไม่จาเป็นนี่ครับพว่าไม่จาเป็นต้องทาอย่างนั้นนะ มีญาติโยมหลายคนเวลามาถวายนธนทานก็ส่งชื่อคนตายให้เพรา ะ, ระว่าคุณพ่อช่วยด้วยแต่ความจริงก็ไม่ถูกนั่นหรอกผลบุญเนี่ต้องเป็นผลบุญที่ญาติโยมทําแล้วตั้งใจที่ให้ต่างหากพระอาจจะช่วยได้เพราะว่าถ้าคนนั้นเขามาหาอันนี้เรียก ว, ว่าไม่จําเป็นทำ น, นั้นนะอะต่อข้อต่อไปเลย<ะ>คนได้ปรารถนาจะไปพระนานในชาตินี้ แต่โอกาสทาบุญมีน้อยปัจจัยก็ขัดข้องอย่างนี้จะมีโอกาสไปนิพพานตามที่หลวงพ่อว่าได้อย่างไรเจ้าคะไอปัจจัยขัดข้องปัจจัยคุณรับว่าอะไรปัจจัยคือเพื่องอาใจของบ้นานบาจิตนะว่างานมีมอะไรหนึ่งกับอิตอะไรอก็ดเด็ดมันไม่ใช่เพราะ่าปัจจัยในการนริพพานเนี่ยไม่ได้หมายรื่งเงินไม่ได้มาเรื่องของนะ มันหมายถึงกำลังใจ oh. ถ้าเราเป็นคนจนไม่มีอะไรเลยก็ไปนิพพานได้ครับใช่ไหมีอ้เราคิดไว้เป็นบูติว่าหนึ่งขึ้นชี่ว่ารักสมบัติของบุคคนอื่นเราไม่ต้องการยะเย่ยงล้วไม่ต้องการยะรักไม่ต้องการยะโกงใครับต้วคิดไว้เสมอว่าถ้าเรามีโอกาสถ้ามีใครมีความทุกข์ถ้าไม่เกินนสัยที่เราจะช่วยได้เราจะช่วย บางทีเราอาจจะทวนไม่ได้เลยจะจิตใจตัวนี้เป็นการตัดรูปภาพความโลภหนึ่งแม่คราบเวกานี้สองยามทำใจให้เหยือกเย็นไว้แต่ใครก็ทาให้โกรธยับยั้งใจไวว่ามีขันติไม่ช่ารามจะจินเข้าแกล้งเราเราก็ไม่โกรธนะครับครับแล้วเกานี้สามเราไม่หลงบัวเมาในโลภวิสัยเห็นว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันเต็ม ไ, ได้วยความทุกข์ไม่มีความสุข จะเกิดมากี่ชาติกี่ชาติจะมีสภาพแบบนี้เราไม่ต้องการอีกเราก็มีความดังเกียดในร่างกายความเดือดร้อนตั้งใจไว้เสมอว่าเราเกิดกี่ชาติจะเกิดกี่ชาติก็ตามเราจะไม่ยอมมาเป็นมนุษย์นอกจากว่าเราจะไปนิพพานแล้นหลังจากนั้นก็ตั้งใจรักษาศิ่งห้าอุเบกษ์ุขใช่ไหมลาบหนึ่งตั้งใจให้ทานทานเนี่ยตั้งใจให้แต่เราไม่มีทรัพย์แตเราคิดจะให้ ให้ดูว่ถูกไว้ได้เราให้ไดก้กําลังใจเพืออภัยทานคือนคนนี้ว่าทำให้เราโกรดแทนที่เราจะคิดว่าใเก่งข่ า, าให้ไปเราช่างมันเถอะมันรู้เท่าไม่ถึงการัรนบแล้วตัยการ 2, ที่สองส่งสิ่งที่บริสุทธิ์เลยมากก็เอาที่ห้ก่อนนะคราบตัวยการที่สามมีความรู้สึกกียจัดในความเป็นมนุษย์ไม่ต้องการอีกคิดไว้เสมอว่าถ้าตายเมื่อไหร่ มันลด ก, ก็ดีเพื่ดาก็ดีเพื่อดีไม่มีสำหรับเราเราต้อง ก, การจุเดเียวพุทธิพันธ์เท่า น, านี้ตายเมื่อไรพุทิพันธ์มานั้นอก็ออไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายไม่ต้องลงกับตังเลยแต่อย่าพูดดรงเลยนะไม่ละครเดียร์พาเดี๋ยว <c oughs> อดเลต้องเผื่อไว้ด้วยใจไม่เป็นนะยโยมนะว่าไม่จำเป็นต้องลงทุนมากมันก็ถึงแม้ว่ายากโยที่ไม่ชักสินก็ไม่กันยาทําบุญให้เกินกําลัง เวลาที่ทำบุญให้ทา น, นยอย่าให้มากเกินไปทีทเราลำบากอันนี้ไม่ถูกต้องปราปาให้เพอและให้เราสวัสบายคือยังมีการคร่องตัวอยู่จะเบียดเบียนตัวเกินไปใช่ไหมที่นี้มันยังนี้ถึงพ่อเวลาศรัทธามันเกิดแล้วเอาไม่อยู่เลยอ่านี่ทลาดชอบนะอ่าที่โถนึกวก็จะห้ามห้ามห้ามไม่ได้ห้ามศรัทธาพระพุทธเจ้าปรับโทษหนะัก ทำลายสัตยาไัยเพราะมันได้ตัพผู้โดยสารเขตกใจโโหลงโทษขนาดหนักเลยงานยุวยไม่ได้เลยยุเลยนี่เพื่อมอ่ะก็าจาย์สัทายก็มีการยัดยั้งตัวเองครับสมมติว่าถ้าเรามาจากนี่มาจากกรุงเทพมาวัดท้าสุงข้ารถคุณทายุสามสิบบาทมาสามสิบไปามสิก็เข้าไปหกสิบใช่ไามถ้าเราจะทำบุญ50บาทไี่ขาดทุนไม่ควรก็ต้องชดว่าแมันค่าอาหารเท่าไหร่ค่ารถเท่าไหร่ ข้าราต่อไว้บ้านเท่าไ ร, ราหรือว่าโยท่านเราไม่ลำ บ, บากใจทำบุญตามสวนนั้นใช้ได้เลย<อ>แบบแบบนั้นนะอภุดีอภุดีนะอภุดีอภุดเช่นได้วันนี้มีมาพันก็ทา แ, แค่พันร้อยบาทก็พอแล้วไม่ต้องมีวันทครมายืมให้พันทันสองพเลยได้เพราะ่าท้าวงเดียวนีขัดคาถ า, าเลย <c oughs> โถโถโถคือจะสวมศรัทธาอย่างาน <c oughs> <c oughs> งี้ปฏุภานไหวนะไวมากครับนั่งดูทีวีอยู่ เห็นข่าวออกสมเด็จประเทพดูไปดูมาเห็นคอลักษณะเป็นผู้ชายอย่างนี้สแสดงว่าผมเป็นยังไงครับเออผมดําแล้วก็หงอกเวอคงจะเป็นอารมณ์จิตของคนดูวะอ๋อจะนี้ตอบไม่ได้นะครับ <c oughs> ถ้าตอบไม่ได้เพระไม่รู้กําลังใจค <c oughs> รับท่านยิ่งบอกว่าด้วยอนาจเอาสายที่มีอจิตตังค ย, ยานทํามีแล้วไม่มีก็ไม่ดู <c oughs> ใช่ไหม ถ้าว่าต่อไปคนที่นับถูอาตนาอื่นแล้วจะมาฝุกมโนมยธิะจะสำเร็จหรือไม่เจ้าคะไอที่นี่แคกเขาก็มาอิสลามมาเยอะพวกคริสก็มาเยอะแล้วฝรั่งเองก็มาได้ดี ด, ด้วยเมื่อเดือนที่แล้วก็คริสมาตั้งหลายคนแล้วได้ดีด้วย มันอยู่ที่กำลังใจนะโอ้ใช่ครับคยกว่าพระเจ้าพระเจ้าอะไรมาอวดลงโทษนะ่เจ้าเจ้าก็ไม่ลงโทษแต่แค่เจ้าจไม่แน่อาีพชาวบ้านถูกพระเจ้าด่าเจ้าพระเจ้าอยู่ทั้งๆตัวแต่พระเจ้าอยู่ไกลก็ไม่ว่างหาวกลับผิดเวลาเกินไปใ่ใชเคยโดนเหมือนกัน้องพาบุ้งเล็กคนหน้านห้ คนที่ทำผิดคำสาบานเขาว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะสาบานต่อหน้าพระแก้วมรกตยิ่งเป็นไปกันใหญ่อยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่ามีวิธีจะแก้ไขได้หรือไม่ก็ต้องหาวิธีสถาบันใหม่ ถ้าไม่เป็นจริงตามที่สัญญาไว้ขอให้อ้วนเป็นมหาเศรษฐีอืมเขาท่าเนยถ้าบ้านแบบนี้นะข้าวกล่าวข อ, ขอให้ชั้นในอ้วนให้กูกัป <c oughs> เป็นมหาเศรษฐีวะข้าวถ้าเราพยายามผิดสัญญาไปเลยอถ้าเป็นมหาเศรีจริงก็เชื่อได้อันนี้ไม่แน่เลยนะ <c oughs> ข้าวคำสา <c oughs> บานในความจริงไม่แน่นอนนะก็จะ่าไปไปตามนั้นนะมันเป็นไปตามกฎของก ร, รม แต่คนนี้เขาสบายเยอะๆมาก่อนที่เคยสบายไม่เป็นไรนี่ปกตินะโกติแบานกับพวกที่เราบอกถ้ากูไม่ปฏิบัติตามนี่นะปายตา้หมาตกน้ำตายอ๋อไม่ไม่ใช่เราตกไม่ใช่เราแล้วเราก็ฝากหลวงพ่อสบานหมาก็ไม่เคยตกน้ําเลยโอ้ใช่ไหมพ่อนี่ก็ขาใจสะบานนะออกไปได้นะแต่หนูเมียเทฟฆ่าหนู หนูพยายามทำบุญเพื่ออุทิศไปให้ประจำอยู่เสมออย่างนี้จะมีโอกาสไหมคะอย่ากจะถามว่าเตียก็เป็นคนแล้ว็นหนูเตียคนจนเตียหนูแล้วตัวเขาก็หนูเตียก็เป็นคนที่เป็นหนูโอเตียเตียหนูนี่แสดงว่าเป็นพ่อของหนูเล็กๆพ่อไอ้คนเอารูปเป็นหนูนี่ันจะไรนะ อย่างนีอุทิศยากนะถาเป็นหนูเลยใช่เพราะว่อย่างไรไงแต่ถ้าว่าเตียเตียของหนูเนี่ยเป็นคนฆ่าหมูฆ่าไปฆ่าไก่หนูมาเรียกนกรรมฐานจากหลวงพ่อแล้วก็สงสารแกก็เลยทำบุญอุทิศมาให้อย่างนี้เสมอเสมอบุญจะถึงเตี๋ยวหรือไม่เจ้าครับอันนี้ต้องไปสเองนะ <c oughs> ครับ <c oughs> คือว่าเรื่องนี้เคยมีมาสมัยสุริยะแรกที่จังหวัดสมุทรสาครทำไมจะเล่าความสําเร็แม่คราบคาบครับเพ ร, ราะว่า ไปฝึกที่บันแพลวเนี่ยน่ะมีเด็กคนหนึ่งเด็กเข้าสายุติสี่สิบห้าใจก็มานั่งดูสามสี่วันพอวันที่สี่ใจอฝึกบ้างนี่ว่าทําได้ใช่ไหมครับครับทำได้กับไปบ้านก็ไปคุยให้เตี่ยวกันเตี่ก็เลยชอบใจเชาาาาาา้ามามามาบ้างเบาะว่าวันคืนนี้หนูไปเล่าผมฟังผมพอใจนาเอยากจะฝึกบ้างไอ้ใจก็ฝึกบ้าพอฝึกได้ ก็เลยก็ถามว่าอยากจะไปไหนพออยากจะพบเตี่ยที่ตายแล้วอก็เลยบอกว่าเขาให้ตั้งใจว่าถ้าเตี่ยอยู่ที่ไหนขอไปที่นั่น oh. ก, ก็กลายกว่าพอพบเตี่ยในสัมชีมรบสบายๆมาก oh. ไฟไหม้คึบคึกคึกอดับก็สับฟันพอ oh. ถ, ถึงแล้วทํำมาเสียงร้องเจียบอาย่า oh, yeah. oh. เสียงดังเลยหแปลกแล้ว oh, oh. เป็นไงพ oh. อเจอเตี่ยแล้ว เตี่ยวไฟไหม้ด้วยหอกก็แทงบาดก็ฟันเขบอกว่ามีคนข้างๆแต่คนไหมเขเห็นว่านารีบาลอยู่ด้วยนะครับครับเขวบอกมีครับเราขออนุญาตคนนั้นว่าขออนุญาตให้นาคนคนนั้นขึ้นมาคุยกันด้วยอ๋อนารีบาลเขาบอกเขาไม่มีอำนาจครั บ, รบเขาไม่มีอำนาจเพราะว่าคนที่ตกม ร, ครนนกคนนั้นตกทุกขกรรม หากว่าจะขออนุญาตให้ได้ต้องไปสำนักพระยาโยม อ, อถ้าสำนักนั้นคนนั้นทำไมขออนุญาตจริงจะได้ก็เราบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้นึกถึงพระยาโยมท่านพอนึกถึงท่านโสดสงฆ์ท่นงน ก, ก็ถึงเลยพอพอถึงก็ถึงเลยพรที่ไหนก็ไม่ต้องเดินลอยบุตั๊บจำได้เมื่อคืนเราลอยนะไปกี่ม้าพอถึงก็เลยก็เลยบอกเขาบอกว่าให้บอกกับท่านบอกว่าต้องการใาคนคนนี้เข้ามาคุยกัน เส้นเาบอกวนาะรีบานบอกอาคอาคนนี้ขึ้นมาพี่เขาจะคุยกันเขาไม่ชอบป็ลูกกันอ๋อนารบาลเขาก็ชี้ไม่ได้ว่าคนนั่งขึ้นมาได้ไอ้ายจุดนั้นก็ดับพอดาบาที่กําลังทำลายร่างกายอยู่ก็หยุดแกขึ้นมาบนสภาพเดิมแกก็เลยถามว่าถามเกี่ยวว่า ท, ทําไมถึงเป็นอย่างนี้แกก็เลยบอกว่าใจเราเกี่ยวเราสั่งบอกทีหลังนะไย่เอ็งจะทำงานไหวเจ้ า, จากูจีนไม่ะจะทำเหมือนเตีย เนี่ยเตียข่าหมูบ้างค้าไปข่าไก่บ้าไอ้โทษนี้เป็นอย่างแบบนี้โอแล้วก็แก่แ ค, แ ค, แ ค, แคหัมาถามอีกว่าพวกเนี่ยทำไงช่วยเตียได้ครับคแล้วก็ระบอกให้ถามเตียเองไว่าจะช่วยแบบไหนใช่ไหมครับเตียงราบอกว่าช่วยได้เป็นการจะเตี๋ยพ้นไม่ได้แต่มันเผาความร้อนมันเผาความเจ็บได้โอวิธีช่วยเตียบอกมาวันหนึ่งให้ให้สร้างพระพตุธรูปหน้าตากี่สิบนิ้วหนึ่งองค์ ออสงองจัดผ้าไตรแล้วก็ของถวายสังฆทานาและก็เราทิศสุสนทรให้ตรงไม่ให้ใครเลยแค่เอาชื่อพาะตี้ยคนเดียวท่านบอกว่าทําบุญอย่างนี้ก็ยังพ้นไม่ได้แต่โทษตานมน้อนมันเท่าลงมากแล้ น, น้อยลงได้การบาดเจ็บหอก็ดีดาบก็ดีเพราะว่าทำงานอยู่ก็ใบมันเจ็บน้อยให้แกสบายแกก็ทํา